อยู่ในสวรรค์มาอยู่ในสวรรค์พระเจ้าแผ่นดินสวรรค์อาลัยทุกข์เป็นความทุกข์ทั้งทางทุกขยทางใจทุกข์ใจทั้งใจทุกข์ใจทุกข์ใจทั้งใจทุกข์ใจทุกข์ใยทั้งใจทุกข์ใจ เปลืกว <c oughs> <c oughs> ิเลศเปธรรมะอยากจะเป็นแต่เปลือกใบขใบมันมีเหมนกัหมดเปลือกปฏิบัติธรรมะะเปลือกั้นธรรมอยู่รวมกันใคจะปฏิบัติเป็นเหมืนความสบาาใจแล้เปลือกธรรมะวเปกขด คามเดียดเดี่วเย็นเย็นเย็นของใจออกไปอ่างที่เลือดมาอยู่ในเป็นเป็นใบจะเป็นัดทบางงายแตกต่างที่เลือดจะถูกก่อเกิดไปไปยุงยาเดียวกันแต่ั่นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนจังจัดทัดเปลี่ยนใจให้แต่จำอยู่ในจิตใจของตัว นอนวักนอนปฏิบัติรรมมันจนอนเกี่ยวพัดไปลอยจอนดูปฏิบิเรงหนูดูประท้อนสื่ออย่างนั้นมันจะเกิดผลประโยนอะไรเราตามนรับนอนวัดนอนมาหรือไม่ทำใจเป็นยดใจวัดเป็นประท้อนสื่อปฏิบัตเป็นระท้อนสื่อจจัดอารมณ์สงบ เกี่ยวกับยักหน่อออกจใจโดยเป็นมทงกใจ่ของี่ยวกับใจัทางเ่างขอใจเนจิใจวหน้าางปฏิบัติรักษาจิตใจต้อง่อะไร เอหัจะมดจะหมเลี้ยงแต่ละทิ้ัเรใส่เป็นไปเลย้ายเสียเสียเหนอนอัาใสไทย่นปิบัตงวนรักษาตาปาใส่ต้อดจะมีจำนรหน้าที่อยู่ในวัดาแห่งาง่างตาปฏิบัตอัจะมีความตนก มีเป the ี the the ้ย the อ่แต่ทุายนิดเดียวแต่นต้นเราม่อยัก่าเช่อใเราไม่ปฏิบัติแบบใประหดใจต้องตายอย่าเ่อใจนะทักสอน่างต้องตายแต่นั้อย่างต้องตายอนท่ไลนกได้อยลางูไปดูที่ไหนต่เดินปั่นปายดูดูังต ตองนตามน้อยว่าต้งดูจใจตัวตัวรักษาใจตัวตัวใจบริสุทธิ์ดเดียวแรบอั้เป็นตัณญต่างๆเราเนาะเราเนาะเื่อตัณญาอันต่างๆที่นั้นรอจิตใจแล้นใจสงบลงไปเดยอธิายทกี่นทำเนี่ยนะปฏิบัต สงบเด็ดเี่ตั้มความอารทัยาจิตใเอะด้วยจใจเราจะสงบุกโททมรกโหรืออะไรกะได้แล้วแต่จิตนึกใท่เราจบเาทำเด็ดี่ยวใจหล่านี้แเาเดี่ยวใจทำิตโายสัมผัสะทำเด็ดเดี่ยวใจตวเราอยู่อารมณ์ั้งา มันก็ไม่กาสเวลาที่จะาวคัุรัปัญญาแลจริงนัอยู่กหนดแบพทตอะไร่ต่างพอหนดลงไปใจมันเนล่าอไปจิตปัญญาอะรหน่อยอันนั้นเรามีปจกน แต่เราปัญญารักษาใหเมันนั่นจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในปฏิิจจังน่นะหลับตายเหนือยใจติดใจเดินเวีมเกี่ควมตบการกาจิตจิตใาในสงบการจิตเป็นอะไรเกขึ้นารจิตเขาทำาต่การจิตเขาโลกจึตจทจ้งโลกจึกเหนือยที่เหลื่อตจหา ตกเดือดตายเสด็จมัวเมาตาดูเอาสสอยุจิตใจเอกกลวเข้าิงดูเไรเไรจิตใจแตเความหยาดหน้ความินดีเความเียไ การดูวัดผูกใจเนาะกานดูเียดทั้โลกการผูกเหยียดทั้งโล ก, เ, โลกเป็นไปอย่างนั้นแตบการดูจิตดูใจจุดรักษาภายใ น, นเดียดนะจิตมีาเดียเดียดท่องต่างๆในนั้ารักษาจิตงเลอย่างแต่เต้องจิตแล้วไริตนั้น ต, ต้องแม่งอยู่ในธรรมบาลีตั้งในตั้นหนดบลม เด็กูึกเจฝึกหตดปฏิบัติมาฝึกเจฝึกหัดปฏิบัติมาอย่างนั้นเคยกินอะไรฝึกหน่อยฝึกใช้หน่จะตัดจตันองเดียวกันไม่อย่างนั้นจิตจนักเรีนไม่ถนัดใช่ไหมเด็กฝึกใจตึกหัดปฏิบัติมาเวลายาวนานเคยจินตัดการปฏิบัติการจะถนัดตามใดเวลาไป จิตท่องทางสองสายจิตท่องทามืลอดเดี๋ยวมันตลมันจะตกจะสบายความตลอดใเรือหลบใครเกี่ยวข้องเรจะมีความสุขความสบายละเดินเล่นทำต่างงานอะไรก็ส่อกแสบตระเวนวิ่งเร็วไปตารายเจื่อหลบใครในตลอด เวลาจะเดินทำงานเดินแบบเดินเหวี่ยเลื่อนแบบนั้นมันจะมีความติดใจจะบางขึ้นทำอะไรไม่สนาเร็จหยุดเวยนไปเม่อต่อไปไรจะมีความทุกขแบบนั้นเวียนต้ อ, อางาเวียนต้ อ, องอใจแต่ทำนนในเรื่องต่างใจสงบนั้นฐานเมื่อ มีความสดความสบายวราในนมีตปัญญาอาเลนว่เหนือตั้เหวี่เหยื่อยวิ่งเลื่อนถึงมเสียนตื่นเล็ดสัมผัสจะมีอยู่ในเล็บตาหตจมูกลิ้นายใจต้องเลยมีอยู่ก่ะจายท่านไรนั้นในเลื่องไมจะไปวิ่งเปลี่ยนถัเชื้อต่อหรือตัวเราตัวเวลา จิตแต่ถอนี่ใดจะเป็นจิตแคโต้ใจแต่ถอนตใดจะเป็นจิตแคโตอเมีพุกมีความเดือดร้อนภายใจิตใดไปเพราะอยากได้อาไอยากเห็นอะอยากสังสักอยากยิ่งรัอยากปังอยากดูนั่นเลยมีในจิตในใจข้งคุณเรองด้อดรอการสงบความสงบ เป็นของเพราะมันเป็นหนิ <S <S ่งาแต่ม่เห็นอะไรแต่แต่เราท่านมันเลยเป็นหยงใจในจในเราผิเือความดือดเย็นเดินาเป็นขาเป็นแสบายสบายแต่อความเดื่เยนดินยาเนี่ทำตัวเข้าตัวให้เดร้นแล้วเือดหลานั้นแล้วแต่ต่ กับความต้องการต้อตัวโลกอันนี้มันไม่มีอะไรอื่นเนาะการรู้จัดแนวแผ่นนั้นเวามตื่นใจเห็นใจเป็นในจิตในใจมีอะไรแม้แต่เราจะเป็นคนรู้คนลบากพอความยากในนี้ในคอแต่ที่ี้ผาดูแต่รู้ใ่ใจตามตานเป็นจริงแล้วโลอันนี้นันจะมีใจรู้ ดับแงสองดนะังแทนแ้วไม่มีอะไรขึ้นใหม่หน้าต่างแต่หน่แ่รปวดเมพ่อยยิ้มย้มสื่อใจหดบางหน่อยนมันจะมีแบสิ่งไรขนดยังในเติดนอยู่นั้นมันก็นปนนนนนนเป็นไปตปามสภาะเดิมเทเกิดมาแล้วแต่เปลี่ยนและแต่ตลายแต่คนยึดมั่น ความคนหนอยในจิตในใจของแต่เราท่านซึ่งในเด้กจิตเด็กเย็นเด็ทำเนี่ยนังยึดนั่งเกะแลรู้สึกอยนั้นทางออมันปะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใจแต่พอใจมันเกิดทุกข์ขึ้นเพราะในาัปละภาพของจิตนันความจิตของมันมันจะมีอย่างนั้นจะได้รับสังขแย่ไายไข่ไร แต่ในมืองที่จะแก้ไขได้ทางศาสนาใส่คือคือว่าจัดจัดทำดูความสริงในมืองไทยที่จะมีอันาจศาสนารักษาเกิดมาแล้วไม่เห็นเป็นไปเลย้ดงไม่เห็นเป็นไปเลยได้ไม่เป็นตายจนไปเลยได้ทุกคนเกิดมาจะต้องมกาำเกี่ยวกับความตายเป็นธรรมดา เรามีใครสิจะรักสาตัวนั้นสารวันนี้วันไหนเกิดอุบัติการ็แจกแจกไปทุกตอนึ้นเวลาุกนาทีแอยอย่างนั้นในอดีตสื่านมาแต่เหมือนกันปัจจุบันเป็นอยู่กวาท่านนั้นอนาคตยังเหมือนกันผู้ที่ไม่ะเรียนทำาดจิตสั่ง เมื่อถึงมนมี อ, อะไรปกปิดําบังในกาแหนอยากจะเกิดเป็นนั้นเป็นนีเ้เพราะความเกิดเกิดน้แล้วมันแปลปวนมันเป็นทุกขเ์เพราะคำในกลุ่มที่เราเแบบอย่างนั้นมันเป็นอย่างนีง้ถนะเกหรอยากริยน า, นานารักษาเลีเยงใครไ เป็นการเป็นสมัยรักษาได้แบ่โรคที่เปลนรักษาเปลี่ยนแย่เปลี่ยนตอยนั้นหมอนม่มีโอกาสเวลาที่จะรักษาได้เพื่อหมอเองก็จะต้องเสียต่องตายเหมือนกับคนที่โดนศิษยาหล่อเลี้ยงมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไราเนี่ยมันเป็นอย่อย่างนี้ความคุกมันปิดอยู่ในจิตในใจพอเราเสียมา เราจะถนัดกอรเกลี่ยการเกลี่ยทางตาจะจะถนที่ไหนถ้าเกิดมาแล้วเราจะจดใจตามํานองของานถัดให้เลยได้ถัดให้เลยได้มันเป็นอาณาตาวาดวาดแบบไม่อยู่เรจะมีอันห่าวาดถนัดเลยเราจะได้มีายที่จะดให้ไดา แต่มันเป็นอย่างนั้นความทุกขของใจจึงเกิดขึ้นเพราความในจักรแขนใอใจเกิดิดไดตัวเป็นทุกข์ก่อให้ใจลุ่มหลงยึดถือเรื่องของ ต, ตายต่เราเลื่ของของเราใจสิไม่อดบอดและมีอัตมีธรรมจึงไปยึดถือมันจึงเปิดทุก ถ่ายรู to ้ถ่ายใจตึกหัดปฏบัติตามอัดทอยิตแล้วุทธเจ้าสอนรู้เลยก่อนระเกิดมาแล้วอาเก็ดตารู้ไปใจจิตใจใจจริงจังเวลเกิดชาบายภพใดอดีตลนาคตปฏิบัติเหมือนทังหมดมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ยางนั้นการเสด็จของเราทำตึกและทำพอใจนั้น แต่มีเป็นบางใจบางสมันมีนิดนิดแน่อดแต่ความเเดือดร้อนเคใจมันมีแน่แต่เวลาเดหลหนักปวดใจถนัดปวดท้องที่เราขหนอยล้วหรือใจของเราท่เคยชอบใจต้องเตยอะไรที่แบบบังเทาทุกของเราให่เบาบางไปแต่มีเปล่อนทุ้ออกมาขนาดไหนแต่มีใครที่จะเกี่ยเหรือทก บาดผคนนั age, head, ้นจะไปเลยรับทุกเือดใปคนอื่น่เหลือได้แต่เฉพาะทายทอดที่ดยาอาหาแต่จะมารับทุกแบบทุกแบทุกอยใส่นั้นแ่งเลยได้เป็นของพะผ้่อยเ็บหลักเทนั้นจะเลยรับใครเจ็แต่คนนั้นเน่ยรับเฉพาความเป็บความปวด ใสเงอนทองหน้าตาต่อตองก็เปือเรืเลยได้บรรเพาุกอย่างงั้นเลยได้เมื่อเป็นอย่างนั้นค่ามสุขก็เป็นบัณฑิต๊่าวามเจ็บคิดหาทางแก้ไขในใจแต่ก็เศร้าในทุกข์เว้นทุกเป็นพวามสิ้อันหนึ่งติดเบือมาจากเลก่ นอาจากนั้นทภายในจใจในความจิตยถืนั้นแต่เป็นทุกข์อันหนึ่งซึ่งมีทาที่จะแก้ไขได้เรื่องอุบายปัญญาเรื่องเรื่องของธรรมนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าึงได้อสอนทุกข์ดลิปคุณมหลังสื่จัดหาความตลอดจิตสื่อแน่นอน ใส่แบบวิบัติบัติคุณจะติดะไรรวบจับทำนามาทำใส่เหรินตานเป็นจีงข้องมันลยเวทนุ่ลอยรียงต้องาขาดองขังในใ่ใจใจับว่ารวบขันอันนี้ลอยเป็นกองของฟุกเป็นกองของฟุก เมื year, ่อมาแบบเมื่อนดูดายทุกท่านเราจะใครจะเป็นคนรักคนจะเป็นห่นั่นเองถังจทีจิตใจนะแต่จิตจิตใจต้องทุกข์จิใจต้องทุกข์เมื่อเศรเมื่อหายใจแายรูแบบดีนอนจะดีเปลี่ยนตอนีแล้วเดือนเปลี่ยนแปลงแตกสลายความสงบอยู่จิตจิตใจรู้รายร อย่างนั้นนั้นมั้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนั้นคือใครขั้นห้าอืเดอดแต่ติดเดือดปัญญาท่านหรีอที่เราท่านเราทราบอย่างนั้นตายแต่มื่อตไปจิ้มจงังตายตายใจไป่ตไปใจอย่างนั้นมันจิ้มเกล็ดฟุกถ้าเราต่างทางถ้าเราสืบดีทำนะ ในจิตในยทยที่เจนะิญนตายขาดขังทั้งทั้งใ้ใจใจตายเป็นสิ่ที่สิ่งที่อย่างแล้วจะไม่ต่งแค่ที่ตายไเปี่ยนความจริงนั้นไม่มีอะไรที่จะตายไปจากโลกเพราะสิ่งขันนัน้มันแตยังมีอยู่ ตามแนวดทนั้นแต่มันขอให้ตันใสผ้พจิตแต่ยังไม่ถึงจิตวิมิินมันก็ยังต่อไปต่อุแต่นั้นผู้จิตเมื่อันชอบจิตจิตใจในใจเกิดถ้าเพ่อใจึงเนี่อนใดเสรบปเส็จเอาไวเพราะจ รสหน่อยจะไม่ผิดหวงถ้ายากได้เต็มคุณทำดีอะไรขาดหน่อยจะผิดหวังคือเหมือนแบบคนที่มีสมบัติเพราะอยู่ใกล้ในบ้านเขารายมีสมบัตอะไรต่างมานิดเป็นอีกแต่คนามบัตใน หรือไม่พอเราควจะต้องแบบสุดทาอาศัยแหล่งเงนหรือการทัพกาเจำลองวามจำแนกเงาที่จะทำแตมีสมบัติต่างๆไทยเอ๋ยใไม่ลบ้าของเราเราสร้างเงินราใหญ่เสียเงิต่อไป้เพ็าะมบัติเล่านี้ดเปิดมาแต่ท่านเราเยอก ก็การเกิดยัเป็น ย, ยามสร้างกิริยาความดีที่บุเอุดมเอาไว้เมื่อตายไปกิริยาความดีจะตายสนองคือไารเกิดใน่จัดฐที่ดีเราจัดตุญที่ดีดมีปฏิมีตมรรมญาละเอาาียดยากยากอันแท้หา ถ้าดูเปลี่นเปลี่ยนเห้งม yes ีความสุขตายสุใจพอควราดทัดเหมอนน้นนี่มันเป็นไปได้แต่เป็นเรื่องใหญ่อะที่เจรนาทำน่ะจริงๆว่าทำน่ะอะไรทหนทำน่ะหมดสมัยแต่ที่เจรนานะเรื่อส่ในเรื่องเหล่านี้ พราะทำแนละเดินบ่หอบแกว่งแก่เดินบ่ตมีอะไรผุดบานะ้างการเกิแมาเท่าไ่อาใส่ดววาชนะมันจะติดแปกแบบตงอะไรกันเพราะพวกท่เกิดมาจากชนะความสุขควรมสบาจากชนะความ้บายเสียเปลบอกเปล่า้ลจากชนะเรื่องใครใครเกดและจากชะะความสุขยากเอวยอก เปลีบยาเอะหลายโล่เรื่องนี้เห็นกันอยู่มันที่นอะเป็นอย่างนี้ความตื่นใจยากจนจริงๆลองฟังเรจะเคเห็นในมือบ้านอยู่เรือนนองอยู่ตามถนนนะตามปุตตาตามถนนเลื่อนทางเสีหข้าวเดือดเลื่อมก๋วยแยงจืดนื้อตลอดไปโอแต่มีอะไรดี คือนหลับตืนนอนแต่นอนในทางทงทนเดินปเราเหนข้าเป็นอยู่ข้าเขาลำบากกันดอเหารจัดทานแต่ละเรื่อแต่ละวันยืดหยุ่นแขวนลำบากเราเห็นคนจัดเก็บนี้ถามเขาดูก็ต่องการอยางเั้นไหมถ้าไม่ต้องการทางนั้นแต่เดินไปแต่จุดแ่บ่านั้น แต่พราะอำนาจอกะโน้นิดุทำดุทำว้ขเขาน้ายมาที่จนกเผาเรือกการตกการแสเรียนบ้างลาอักษยาัดเป้นแบัตขอกรเงิองแต่รีมือตั้งที่จะแสนห่ัดเเปลี่ึกไม่แสเรีือในจิตในใน หลายใรตกใจในโลกไทยเพราะได้อาหารได้รับทานแล้วคนในประเทศอ่านกูอาแต่ไม่หาสมบัติอะไรต้องหิ้งไได้ขอราะอะไรทานไปหรืันเป็นแบบนี้มันเป็นทกอย่างลังหมาดดิเล่ะเป็นแกจนตาอะไรนี่ไมพทักไม่อาศัยมันมีในโลกแต่ ของคนาเลนปวดน้ลยปรี้ยดยากยากลำบากอย่างนั้นปวดในตเพื่อีมีสมบัติของเพราะเพื่ยังฝันนะดีใจในลาส่วนเสียอะไรเรียนวาสมุนต่างๆแต่เรียนความจดันปฏิบัติยากเป็นกระจดจากความติดต่เรียนแต่ทันโดยหัะเดือดจบา เดือดใจเดือดกระเดีอดเดือดเย็นแอบแอบก็ต้อมีบุญญาตานอตามลักษาะเขาเราเรียนอยูเรื่นงของเพือารัดคณะสอนเป็นเรีลนท้องจำคือบุจคนจัดจำเรามีจำเป็นของท้องจำมีาำเป็นสื่อให้มีจำเป็นด้านศึกใอแต่ด้เรื่องเกิดอะไรตามจัดคณะได้ ถ้ า, าเราเอรือเจรได้ตามสาท น, น้ใครล่าจะไปเิดในบะกูตตตนติดตันตันวัอยากลำบากอุกยาอย่างไเรเลือดเขาเลยอดเจรได้มันเป็นตะหย่างนั้นเพราะตอนนคอาเขาไปไปเิดในกระถางสี่สย่างนั้นทาคานเขาตีระยะเจรแต่ต่อไป แล้วเราต่ออีแต่มาเกิดมาจากแรงใดทิศดทาพดทำไมถึงมาเปิดอย่างนั้นแล้วเลยต่ออีกเหมอนกันเกิดนั Chicago, ้นคนติวเรียนตายโลกเปิดไปติวเตอละตาหละเปิดด้วยไอมเขาที่เขาเกิดมาถามคนอื่นอยู่นั้นแหละแต่เขาแต่เราต่อมาเปิดอีกไหเพราะใจมันหลงมันล แต่เดยที่ไมาแรงเด็กต้องทำความเกิดความตายเท่านั้นนั้นจำไม่ได้พอาะมันขาดควบคุมขาดไปเป็นระยะเวลานานตายจะมาเกิดอีกเล่ไหมตาเรืนี้ตรืนี้คตรนี้เรืนี้เราจะได้เหนหรืเราถึงจะมองเวลา30นาทีเรา้ลองถามดูเด็นี้ตก ความรู้จักเหลื่อมตานวกกีร่อหนึ่งูนี้จะดีะลอยหน้นหนึ่นี้หายใจออกดูคือหายูคือผ่านตรงนี้ก็ดถ้าเขาะหายใออกหายใจเข้ป็นประอ่แต่มันก็่นุนวัดดูทั้งสี่ฝั่งถ้านไอจ่ายขาดนี่เพราพทย์ทีได้ผ่านมาจะทำอะเรียอกันเรือนั้น มันจริงเหลแลม่ทราบว่าเกิดที่ไห น, นตายที่ไหนเจ็บด่างไรเมื่อคนเปิดเซ่อสายอย่างนั้นหรือยึดมั่งอย่างนั้นวลาตายแล้วขุนไม่มีเกิดอีกคนเหล่านั้นตายนแบบทำทำเสือหัวหน้าหนักนะ ม, มีอะไรี่จดาดตับเมื่อเวลาตายและะ้วไม่ได้เปิดอีกคนกันนั้นแหละเขาจะจิตห่างท่องเทออี ก็ตทำเสื่อในเลี้ยบขอแต่ให้ใจหนาดีจัดตน้มได้เป็นเตียยพอแต่ถ้าตีตีตายอะไรแค่ในันไหวแต่เด็กกลัวเทานั้นแค่บาดซ้ำแค่ในเหงื่อในจิตในใจต้องขมเค่จึทำเสียอได้แาาดเร์นะจึงรู้ว่าเป็นนิสัยทอย่างไรอล้วถ้าเพื่อนใจหรือเพือนเปล่าเพื่อนสอนต้องทำ นั่เพื่อขณะนั้นเหมือนกันตัโลกคือในมือทางสุยญารักษ์ตอนน้อจะดูดเศษมาจากพื้นใบทางก็นือทาสุจริึ่จรักาหเยถาพวกใต้ตัดสะพานเหลือแบบชาลเนเบื่อใจได้นมือทสุจริตสอนอาจทำอะไรดูาดูใจของเขาได้นมือ อยู่ในโลกอันนี้ในใจะราไมนน่มี้างา่ะเราจิใจเราเตื่้งเราอยากเป็นสิทธิอยูนีอำาจอยาอชนะมความเสื่อมความเหวี่ยนไสตัดหามืเหตกดีผลความจตใจเราเตื่องใส่เราจิตผูกตั้งแล้วกวนจับตึงตัวทัง เสอย่างเท่ากันคือทำเลยไปควาเสือจะทำดีได้ืใจเย็นใก็เป็นเสืออยู่ตลอดทนตลอดเวลาใครจะจับกลุ่มกลุ่มตือนเลยไหมความเสือก็เป็นความเสืออยู่อย่างนั้นในมีผลดีอะไรเสือขึ้นเสือเองิตใจต่อความเห็นเสือเองถูเสือเหวินรทำเสือดเสือทังตัว เขาต่อปมอยู่เด็กๆทั้งรูั้งเดือนไปว่าเทั้งคูคุณตุ๊กเจร่าทำเนี่ยขาดจิตผิดอดตัดใจใแบ่ดูกระถ้านี่ได้ปจกระถ้านี้ได้รไงบ้างเกล่อบ้างเมื่อจะทำเพื่อผิดเชื่อรักษาใจตัวตัวน่เองไปคิดไปฝูดไปทำ ทเชื อ, อยู่ต ล, ล, ลตตอด ร, รอะยะเวลามีปฏิปัญญาแม่สอนทำไปแล้วในเรื่องอื่นนะจราจรไฟเสื อ, สสอไฟเอวป็นคนจราลม่อนเราต้องทำอย่างนั้นทำไปเลยทำช่อติดช่เมื่อแตคิดเชเพราะฉะนั้นมีปติปัญญาตามลักษมีความะอยู่ในตัวทั้งทีเพื่อตัวที่มีมนรรมะ ศึษาทำนะปฏิบัติทำนะทนมีทำนะมีนขนาไหนแต่เป็นไทยเเวลาทอดใบาตาใบทำดีทมนะดีทำเรือความละอายไปทางเสียทางเสียแล้วเรียนด้วยควอมใจรักตื่ขึเราในความในความเสมอเาในความใจเราใ คไปทนไปูกับเพืนอื่นสงได้ีจจเ่เราทนเราตอยุดเขาราอยากไปทนเนีน่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจะูเท่แหะจะเป็นทำเสอเสื่เนี่ยตายก้นตายเหนีวิตขอตัวจาอกชอทำดีเราอยากก่อเหตุใครใครเนี่ยเหยียดห่อนทำลายขัของเป็ น, น, น, อน ข, อของตัวเรานม่ได้ คิดว qu ่าเป็นขั้นบัตรของเราแต่แท้เนา e รั t มาทำไมเอาใจเราเสียใจเ r e ไปไหนไปรักเสมอของเขาไปเขาดื้อเบียดเบียนเขาเขาเบียดเบียนเราเราไปต่อไปไหนเราไปต่อไปขั้นบัตรเขาเรายรักเท่ารอยใหญ่ไรแต่รักคนอื่นคนอื่นอย่างนั้น เมื<บ>่อ <PTSD> ิดได้อย่างนั้นรักษาตัวอย่างนั้นเลกตอนนี right? so, 90, kind of ้ม <gaat> ันก็สงบไม่มีอะไรจะยุ่นว่งมีน้อยหรือคนที่เลี้ยงได้ตายเกิดถ้ามีเรื่อากจะหนักมีธรรนะก็มีความเจ็ความสบายความสุขควาเที่อวโลกปฏิบัติธนรมะเรต้องมีจมื่นความเหงาเราตอนนีอนุปนรักษาบ่านเมง เพราะนะแฉเนยคนเชื่เนยคนหาซเดือเือดกันแฉเนยคนรักจะสช็ดีนกันเช็ดีหัวถั่ง้ น, น, น, นถ้าเชเลือดรักษาไดา้แต่ตอนมีปดหน่อยะไรปว ด, ดหน่ตายขาดทำนะความดีแบบนี่อเสียแล้วแลอเสียเท่าทำนะจึมีปวดหน่ยรักษายื่งามละเอียดไปแต่ไมต ถึียเรืองขวงอดเนืเรืองของหิวความดสติรักษาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะคนจากผู้ทว่จบคิเท่านั้นท่านก็รู้อยากสุดถูกดีช่วอย่างไรผ้ปฏิ่ัติรักษาใจต้องทำอยู่ตลอดเวลามีผู้ผูกผูกู่ปฏิบัติทำน้ รับเทียเหี่ยวคล่องกระตุกห้าอย่าไปเสนอเลื่อนเลียวเลื่อนบนปุ๋ยนรือแกะทำบําเพ็ญใส่ดีให้เดินไอ้ไว้ถ้ายังนม่เด่นหน่วานตายเกิดเราจะเดืดถึงวาเอาไส่แต่ตีอย่างไรจนตายเกิดเพราวาพวกนี้ขาดนี้เราจะหยินเป็นไพดอำดูความสุกนันเกลนงแ่เราเห็นมือแ การทุกข์เราจะเห็ น, เ, นเป็นแต่จักไทยหยางการเกิดตายจะได้นเกิดดุจวัตถุธาตุในส่วนไอยหางนี้จนไม่มีอะไรเกิดจะดูจะเ ล, จะลื่นลอนว่าจะเลื่อนลงเมื่อเมื่ตายเกิดอีกเรื่องแรกทั้งนั้นเพ่งทำควตทใจต้องตื่นให้สงบหยุดจับจักร ไปสาบ า, านหาอุตส่าห์เดีทย่นีที่จะเนียสมณะใจใส่ความใส่บริสุท์ทำลายรสาติไว้จุดในใจต็วผาใส่คนฝากหน่อยที่จะมีอืกนเาไม่สาบานะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตั้งจิตย่นเหมือตังหา ในหน้าจิตใจเราจิตในใจอยู่ตลอดระยะเวลาทำลายหมดออไปเทไรใจจะยิ่งไปนานยิ่ตสงบยิ่งยืนปลอรภัยเหมือนใจะบบเด็กครต้องตายถามันเหงาใจเทไรใจจะมีความสุขความสบายแค่ไหนจิตใจก้เหงาเทไรถ้าจิตใจจืดจืดในเหงานหน้าจิตใจออกไปได้เทไรจิตใจแบอดสงบ ติดใจติดสบายติดใจติดเบิกบานผูกไปเรื่อยปฏิบัติทำทำเหวินทำเป็นอย่างนั้นทำทิ้งตั้งอยู่นู่นปฏิบัติจะเจอว่าท่านไหนเหวินจะเปนในจิตในใจหลับหรือรับตาปฏิบัติไปเขี่ยทำหลับตั้งมาเขี่ยเล่นปาเต้งต้นอื่นเด็กเป็นเป็นอย่างนั้นเขี่ยก่อนแต่เมื่อทำไปเรื่อยปฏิบัติเข้าไปเหวน แตจับเลยจังได้หนนไทยะบางชาบางชาให้เดินเตะกันไทยว่านะใส่จำไล่สี่เหลือจันหัวหิ้วแบบตเป็นยาจับไล่ความเจ็เยอเทไปแต่ความแจบเยอะลยนะไม่ไหวจะต้องทำต้องเห็นรสาติความความตลดติดความดูความรู้สึกในจิตในใจสี่เหลือมีดไปเลยจบบอื้วหิ้วับไล่ ตกแต่เพื่อแต่แบบเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยทำไปดแต่เพื่อแต่แบบต้ดดเียความเคลนในหยุดในออะไรสิมันก็ติดต mm. ัวหยุดถแต่นมาที่วิจัมาจนรูรืองตาตหาไสิเหมนั้นต้องตกใจไปเองวางเองเท เวาบายใจเลยพร้อมสบาใจเยจิตใยงยังมีอะไรอื่นนั่จะตัดสึกปวัญปึกตามเสียเอนจะตัดใสใสเสื่อนันหมดนั่นจะบไปไหนเสือยังเหล่อมันไม่หายนหมดเสือตายแล้วบาดไปอยู um, mm. to to ่จะจับขออะไรแล้วบัหนึ่งมีเสื้อเหลืออยู่มันบัด หนึ่ตายยินดีต้อนรับทางช่องไทยแต่ทางเราเยอะกันใส่ขึ้นไข่ไรเกี่ยแหละเราต้องบอกแต่ควานความผาความเพียนมันเป็นไปเองมันยังซ้ำผาดอยู่ที่ไหนมันยังโใส่อยู่ที่ไหนมันยังมีอะไรในจิตในใจทำแต่เป็นติ๊กแก่ไข่ขาดล่าเป็นหมดขึ้ความโง่ใส่โง่ใส่ออกอไปขาดออกไป หยุดสงบกล้าหุดไร้หยียดกล้าหยาดุดพ้นความเมตาเนือันก้ามีเราหุดในใจเมื่อกล้ได้อย่างนั้นจะแจ้งใส่อะไรกันงเราจะทิ้งแต่ปีศาจอะไรอื่นมันมีมีอะไรจะต้้งใส่จะไปหาทีไหนนึกทางหาเห็นหาจนในใจหาตัวคุณยังไม่เห็นอยากตัดคุณดังไม่ดี ใครอินแล้วในยาเจริแล้วในเสหรือแล้วหลงเมื่อคือทำแม่สื่ออะไรตั้งแต่แบบว่าปฏิบัติรื่นหุัเดินพูดปฏิบัติเป็นพระปฏิบัตแต่ทำนองเท่านเป็นมท่านที่จะลุ่มลงแต่ท่า่ปฏิบัติลั้มันมีหลายคือหลายอาจารย์สอน่ยวแม่ใจ็เจริญตื่ความ แตงออกความปลอดวัยที่เหลือความเป็นจากทุกอันเดียวกันเนม้อนเลยนั้นนี่นจากชุดต่างๆหลายเปลนหลายสายฝนตกรงที่ไหนจะเป็นชุดไต่ชุดเหนือตอนออกกำลังตกเนื้อเนื้อใหญ่ไม่ไกลเลยไปถึงจุดเดียวกันซึ่หน้าจนหมดไปเลยเมื่อไปถึงนั้น ผีมัแต่เหมือนกันรถมันแตเหมือนกันือเกหมือนกันหมดใจจะยึปฏิบัติอัดทนใจจะตั้งลบทร้ใจดีบทบปุ๊บโตจะดยกหน่อตังหน่ดีตั้อะไรอะไรต่้งแต่เือยังหิ้ายเาสุวามเตือเตือจัหิตเข้าต่อยรื่อเหนเด็กชัละชื่อเกันเเื่อความไม่รู้สึก เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกันหมดโูยแต่แบบต่างกันอาหารได้เรารับทานแต่ภายในเวทันจะเป็นเกดเป็นน้ำเป็นร้อนเป็นทาอัดแต่เกล็อข้าอินเมื่ออินแล้วมันเหมือนกันความอิ่มเหมือนปุกบทันหรือการรับทานศากร์อิหรือความเป็นปุ๊บสิ่งเอะไม่เครู้ใจหมน เจจะมาสอนก่อนนะแต่ว่าตัรถปฏิบัติในหยุดในถ้อยมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นเนึเป็นตับกับตาเรื่อเฉพาะในจิตในใจเครงตรวจแต่เรออะไรที่จะไปเปลี่ยนสายามากเปลนนิทานตามเวลาผ่านมหมดไปแล้วตัวรตปฏิบัติเรารู้ในใจใจอะไรอย่างนี้ไป่ว่าเป็นอุตสาห ทำเลยใจเ้นสายถ้าทำปฏิบัติเนี่ยจะอสริันทร์จะต่อยนจิตใจอย่างไรถ้าแบบว่าปฏิบัติมือแต่สิริันทรือจันรแงหยเลยใจท่อใ้ายมันหยัดตก็แข็งหยัอย่างนี้ว่าแบบว่าปฏิบัติจะต่อนด้ไหมเห็นมันเป็นฝึกว่าเราปฏิบัติมันเป็นเห็นจึงเป็นึก เมอนเป็นอย่างนั้นความทุกข์กนจีเลย์น <philosophical> ่าจะหมไปที uh, <his> ่ไหนความจลย์จม่อยู่ในิในจความน้อยจม่อยู่้วจิตในใจความแย่แย่เจ็ตาจะมีความคิดเจต้นตอจักความแย่แย่จตาจะมีน้อยจัดถ้ากดจิตจีเลย์ไปแล้วความยากมันมีความพอมันเกิดมี คนอื่นมันมีขาดไลทาลดื่แต่ในทานในด่มแต่พกอะไรจะไม่มีทาที่จะอืมมนได่หรือคนไมอยากจะสจ็บทุกข์จะไม่ไปปฏิบัตอะไรไม่ไนมีทางที่จะเป็นทุไปด้อยู่เหมือนกันต <c oughs> อนั้นตัวอะไรของกูมีความสัวต มาแต่เพื่ปฏิบัติภาวนาทำร้ายผู้เรียท้ใจเจิพาตันตังหน้ตังตาผู้รียนจุดเัอนรักษาตาราใจใจทังตัวจิงไดสิ่วส่เสียไลเหวียงทับไล่ใช้ส่งออกไปสิ่งใดสิ่งนันความตงบจุกนั่งให้แต่พยายามหยดอมเอาไว้ตแหน่าตังตารักษาใจทังตัว การเ่อเหยืเียไอทำนะเป็นแต่ที่เดียงไปฟังดูเหวี่ยอะไรเหื่อดูจุดถูกเตี๋ยวือแต่เพื่อตบัตรตั้งบัตรหน่ไปถุยีว็มันจะใหญ่โตขนาดไหนขนาด้อทำอยู่ในหยุดในขายจีว็บนั้นจะสายมาที่จะ ฝนลมทางทะเลได้ในอย่างนั้น so พ so ้า so ค so so so so ุณใจแ้่วิจารณ์วิจิไปท่านจะไม่มีรันเดอร์ลูกได้ท่านอาศัยความอดทนชาดเย็องท่านอาศัยปฏิปัญญาของท่าเราไม่มีหลักรานปติปัญญาแต่เหลเหตุปัญหาแต่เราไรมีแม้ จะดูเป <c oughs> <c oughs> the ็นยางขงเราเป็นยางทำแต่นันเกลี่้งยืนขึ้นยังจะมีขึ้นมาแล้มาดูจักรกลที่เดือดจันเหรอทายในใจใต่เศษขาออกไปเหมือนกันจัขาจะต้องทั้งไว้กัผู้ใต้จ่าแต่นั้นเกลียวขันเนี่ยได้จับรัดจังโา้ทำสองของผู้ใต้จาแล้ว การน่ไปที่นิจจังน่ะถ้าเห็นว่เป็นสิ่งที่มีเหตุผล่นัความุความะบายในหัรใจตนก็ลงมือปฏิบัติหรือลงมือปฏิบัติความสุขความใจงบเ่วกับสองาจนันก็จะเกิดึุเหมือนกันกับเราตู ฝนเมฆต่างๆอะไรแต่เราดันเรียนรักษาใหมันลอบงามเลออาเฉาเหย่อวพื่อนร้เลืตายไปแต่มันเปิดใหญ่ขึ้นาถึงเวลาที่จะปฏิบดติออกฝนมันจะออกนะเดี๋ยวเาตองไปบอกไปออกเราออกฝนนะว่าเหอะันเีนดันเติบดันีมีการปฏิบัติแต่จะไปปลาใชนไหมความสงบมันจะเกิดเมื่อไร ใจเจ้าจะึนั้นตายแก่ชุบชอะไรในรักษามันจะมมีความสงบเจรจาการตั้งใจแต่เพปฏิบัติเราแต่นั้นจะเป็นที่อื่งของเราจะมีใครอ่ในโลงนี้เนื่ยที่แต่ปำับรักตันงแล้วจะนำในจิตที่แกนมาต้งหน้าต้งตาปฏิบัติแต่แต่นั้นใปจะมีความสุดความเจริตามอะที่าทำนะหรือเราต้เปล่นเปลียนอย่ต่ยิอย่งนี้อยู่ั